พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมนี้ก็คือการกระทำ การกระทำนี้ก็เริ่มต้นที่ใจใจเป็นผู้กระทำแล้วก็สั่งให้ร่างกายเป็นผู้รับคำสั่งไปําอีกต่อหนึ่งร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้รับผลของกรรมที่กระทำผู้ที่รับผลของการกระทำคือใจผู้รู้ผู้คิด ผู้สั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆเวลาสั่งให้พูดหรือทําดีใจก็เกิดความสุขเกิดความเจริญขึ้นมาเวลาสั่งให้พูดหรือทําไม่ดีใจก็เกิดความทุกข์เกิดความเสื่อม ขึ้นมาผู้ที่รับผลของกรรมคือใจคำว่าสัตว์ทั้งหลายนี้ก็คือใจทั้งหลายนี้เองใจนี้แหละผู้รู้ผู้คิดที่เป็นผู้กระทำบุญและกระทำบาปแล้วก็จะเป็นผู้รับผลบุญผลบาป ผลของบุญก็คือความสุขความเจริญผลของบาปก็คือความทุกข์ความเสื่อมเสียเกิดขึ้นทันทีในขณะที่ทำเลยเวลาเราพูดดีทำดีใจก็เกิดความสุขขึ้นมาใจก็เจริญขึ้นไปถ้าพูดไม่ดีทำไม่ดี ใจก็เกิดความทุกข์เกิดความเสื่อมขึ้นมานี่แหละคือผลของกรรมเราอยากจะรู้ว่ามีผลของกรรมหรือไม่เราต้องดูที่ใจของเราแล้วเราจะเข้าใจว่ากรรมนี้มีจริงถ้าเราไปมองที่อื่นเราจะหลงผิดเราจะไม่เข้าใจ คนส่วนใหญ่นี้ไม่เข้าใจเรื่องของกฎแห่งกรรมว่าทำดีได้ดีจริงหรือไม่ทำชั่วได้ชั่วจริงหรือไม่พอไม่เลยไปมองที่ใจผู้ที่เป็นผู้กระทำและเป็นผู้ที่รับผลของการกระทำ กลับไปมองที่ร่างกายหรือไปมองสิ่งอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นมาเช่นมองไปที่รางวัลหรือโทษภายนอกใจเช่นเวลาทำความดีบางทีก็ได้รับรางวัลได้รับการยกย่องสรรเสริญ ได้เลื่อนยศได้เลื่อนชั้นได้เลื่อนตำแหน่งแต่บางทีก็ไม่ได้บางทีทำดีแล้วก็ไม่ได้เลือเล่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ ง, ไ ม, ไ, งนไม่ได้รางวัลไม่ได้รับการสรรเสริญเยือนยอเพราะผลภายนอกใจนี้เป็นผลที่ไม่แน่นอน อาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ถ้าไปมองผลภายนอกใจก็จะหลงทางจะทำให้สับสนได้ว่าคนทาไมคนทำความดีแต่กลับไม่ได้รับรางวัลไม่ได้รับการยกย่องสรรเสริญไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง เพราะว่าผู้ที่ให้รางวัลก็อาจจะไม่รู้หรือไม่ชอบผู้ที่กระทาความดีนั้นก็ได้ฉะนั้นผู้ที่จะให้รางวัลก็อาจจะไม่ให้รางวัลกับผู้ที่ทําความดีแต่กลับไปให้รางวัลกับผู้ที่ทาบาปก็ได้เพราะไม่รู้ว่าเขาทาบาตรู้แต่ว่าเขาเอาอกเอาใจ ผู้ให้รางวัลผู้ให้ตำแหน่งพอผู้ให้ตำแหน่งได้รับการเอาอกเอาใจได้รับการรับใช้ก็ให้รางวัลผู้นั้นไปแทนดังนั้นนี่ไม่ใช่เป็นผลของกรรมที่แท้จริง ผลที่อยู่นอกใจนี้ต้องถือว่าเป็นผลพลายพอไรได้อาจจะได้อาจจะไม่ได้คนบางคนทําบาปแล้วกลับไม่ได้ไปติดคุกติดตารางก็ได้เพรอฉลาดมีวิธีเอที่จะทําให้ไม่ต้องไปติดคุกติดตาราง แต่ผู้ที่ได้รับผลในการกระทำบาปนี้เกิดขึ้นแล้วเวลาทำบาปนี้ใจจะทุกข์ใจจะไม่สบายใจจะหวาดวิตกหวาดกลัวตังวักวังวลกังวายแต่เวลาทำความดีแล้วนี่ใจจะสงบใจจะเย็นใจจะมีความสุขแล้วใจก็จะเป็น ใจที่สูงขึ้นนี่แหละคือผลของบุญผลของบาปต้องดูที่ใจเกิดขึ้นทันทีทันใดเลยในปัจจุบันแล้วก็ยังมีผลตามมาต่อไปในอนาคตที่เรามองไม่เห็นกันก็คือเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ใจนี่แหละเป็นผู้ที่จะไปเป็นสวรรค์หรือจะไปเป็นอบายไปเป็นนรกคำว่าสวรรค์ก็คือความร่มเย็นเป็นสุขของใจนี่เองส่วนอบายก็คือความรุ่มร้อนใจความทุกข์ใจทั้งชนิดต่างๆทุกข์ใจเพราะความกลัวทุกข์ใจเพราะความโลภทุกข์ใจเพราะความอาฆาตพยาบาท อันนี้เป็นผลที่ยังมีต่อหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็จะได้รับผลของบุญของบาป ท, ที่ได้สะสมมาในขณะที่มีชีวิตอยู่ในขณะที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่บุญที่ทำไว้ก็จะเข้าไปในบัญชีบุญ บาปที่ทำไว้ก็จะเข้าไปในบัญชีบาปจะสะสมกันแล้วก็จะมาบวกลบกันเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบุญก็จะผลิตความสุขผลิตสวรรค์ขึ้นมาในใจถ้าบาปมีกําลังมากกว่า บาวก็จะผลิตอบายขึ้นมาในใจผลิตเปรตผลิตอสุรกายผลิตนรกขึ้นมานี่แหละคือที่ตั้งของสวรรค์ของนรกที่เป็นสัตว์ชนิดต่างๆก็คือใจใจเป็นทั้งสวรรค์เป็นทั้งเทพใจเป็นทั้งเปรต เป็นทั้งอบายเป็นทั้งอสุรกายเป็นทั้งนรกอันนี้เราจะรู้จักสวรรค์รื่นจากนรกได้ก็จากเวลาที่เรานอนหลับแล้วฝันไปเวลาเรานอนหลับนี้ก็เหมือนเราตายชั่วคราวเพราะตอนนั้นเราไม่ได้ใช้ร่างกายใจเมื่อไม่ได้ใช้ร่างกายใจก็เลยไปรับผลบุญผลบาป ที่ได้ทำมาเวลาฝันดีนี่ก็เรียกว่ากำลังรับผลของบุญเพราะเวลาฝันดีนี้จะมีความสุขเวลาฝันร้ายก็แสดงว่ากำลังรับผลของบาปนี่แหละคือสวรรค์หรืออบายอยู่ในใจนี้เองอยู่ในรูปแบบของความฝัน เวลาที่ร่างกายตายไปใจไม่มีร่างกายใจก็จะฝันยาวไปเลยถ้าฝันถ้าเป็นบุญก็ฝันยาวไปจนกว่าจะได้รับร่างกายอันใหม่ได้กลับมาเกิดใหม่จึงค่อยตื่นขึ้นมาหรือถ้ารับผลบาปใจก็จะฝันร้ายไปยาวจนกว่าจะได้ ร่างกายอันใหม่ได้มาเกิดใหม่เ่อใจเป็นสิ่งที่ลึกลับแปลกประหลาดมหัศจรรย์ไม่สามารถที่จะเปรียบเหมือนกับร่างกายได้เพราะใจไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีขอบไม่มีเขตจะกว้างเท่ากับจั ก, กรวาลก็ได้จะว่าไม่มีขนาดก็ได้ ใจเป็นความรู้สึกนึกคิดเนี่ยที่สามารถนึกคิดไปในทางที่ดีหรือนึกนึกคิดไปในทางที่ไม่ดีก็ไดเ้เวลาที่เรานึกคิดไปในทางที่ไม่ดีมันก็จะเก็บสะสมอาไวเหมือนเหมือนบันทึกเอาไว้เวลานึกคิดไม่ดีมันก็จะสะสมเอาไว เวลาที่เราทำความดีต่างๆมันก็จะสะสมบันทึกเอาไว้เวลาที่เราทำบาปมันก็จะบันทึกเอาไว้แล้วเวลาที่เราไม่ไม่ได้ใช้ร่างกายหรือไม่มีร่างกายเช่นเวลาร่างกายนอนหลับเราไม่ได้ใช้ร่างกายบุญหรือบาปที่เราบันทึกไว้มันก็จะออกมาแสดงให้เราได้สัมผัสรับรู้ หรือถ้าเวลาไม่มีร่างกายเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วบุญหรือบาปที่เราได้บันทึกไว้มันก็จะมาแสดงผลของมันให้เราได้สัมผัสรับรูบรบร้ในรูปแบบของความฝันนี่หล <c oughs> ะคือสวรรค์หรือนรกหรือสัตว์ชนิดต่างๆนี่ มันไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจนี้เองตอนนี้พวกเรามีร่างกายของมนุษย์แต่ใจของพวกเรนี้อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นมนุษย์ก็ได้อาจจะเป็นเทวดาก็ได้อาจจะเป็นพรหมก็ได้อาจจะเป็นพรอจจะพอริยเจ้าก็ได้ หรืออาจจะเป็นเดลฉานก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้เป็นนรกก็ได้อยู่ที่ว่าอยู่ที่บุญหรือบาปที่เราทำนี้เองอเช่นถ้าเราทำบุญแล้วไม่ทำบาปเนี่ยใจเราไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วใจเราได้เลื่อนขึ้นไปสู่การเป็นเทวดาแล้ว ถ้าเร า, าไม่ได้ทําบุญไม่ได้ทําบาปเราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่มนุษย์นอยู่ตรงกลางอยู่ระหว่างนรกกับสวรรค์อยู่อยู่ระหวากก่วหวางสวรรค์หรือสุขติกับอบายถ้าบุญกับบาปเท่ากันเนี่ยเราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ถ้าบาปมากกว่า บ, บุญเนี่ย เราก็จะไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็ น, นอสุ ร, รกายบ้างเช่นถ้าเราฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีนีโกหกหลอกลวงใจของเราก็ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานดีๆนี่เองสัตว์เดรัจฉานเขาก็ฆ่าเพื่อกินเพื่ออยู่รัก ของขโมยของเพื่อกินเพื่ออยู่ประพฤติผิดประเวณีเขาไม่รู้จักว่าใครเป็นของของใครใครเป็นภรรยาของใครใครเป็นสามีของใครเขาเจอใครเขาชอบเขามีอารมณ์ใครเขาก็จะร่วมหลับนอนกับอสัตว์นั้นตัวนั้นถ้าเป็นร่างกายเป็นมนุษย์แต่ ทำบาปมันก็ใจก็เหมือนกับพวกเดลฉานนี่เองถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ว่าบาปนี่ก็คือพวกเดลฉ า, านถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะเป็นพวกเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็เป็นพวกอสุลกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม ก็จะเป็นนรกเนี่ ย, ยใจจะเปลี่ยนไปตามการกระทำที่เป็นบาปเนี่ยทาบาปแล้วก็จะเป็นสี่ชนิดด้วยกันเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าบาปว่าเป็นบาปถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากก็จะเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัว ก็จะเป็นอสุรกายทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะเป็นนรกเป็นทั้งๆเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายเป็นตั้งแต่ยังมีร่างกายของมนุษย์อยู่ในตอนนี้เนี่ยนี่แหละท่านจะบอกว่าเราปีกรรมเป็นของของเราทากรรมบันไดไว้ จะต้องรับผลของกรรมนั้นใจของเรานี่แหละเป็นผู้รับผลร่างกายของเราไม่ได้เป็นผู้รับผลผลที่รับร่างกายรับอาจจะเป็นผลข้างเคียงหรือผลพลอยได้แต่ไม่ได้เป็นผลที่ทแท้จริงผลที่แท้จริงก็คือใจใจเสื่อมลงไปจากมนุษย์พวกเดรชาญเปรตอสุรกายลา็อกใน เป็นสถานะที่ต่ำกว่ามนุษย์เนี่ยแล้วพวกเทวดาอินพรหมพระอริยะเจ้านี่เป็นพวกที่สูงกว่ามนุษย์ขึ้นไปทําความดีทําบุญถ้าไม่ทําบาปก็จะไม่ต้องไปจิตก็จะไม่ตกต่ําไม่เสื่อมลงไปแต่จะไม่เจริญถ้าไม่ได้ทําบุญถ้าเพียงแต่ไม่ทําบาปแต่ไม่ได้ทําบุญ จิตก็ยะอยู่ในฐานะของมนุษย์ถ้าไม่ทำบาปแล้วได้ทำบุญด้วยจิตก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็นเทวดาแล้วถ้าได้ทำบุญที่เกิดจากการทำใจให้สงบถ้าทำใจให้สงบนั่งสมาธิได้จิตก็จะไปเป็นพรหมเป็นพรหมเลยไม่ได้ไปเป็นในขณะที่นั่งสมาธินั้น พอจิตสงบจิตก็เป็นพรหมขึ้นมาพอจิตออกจากสมาธิจิตก็กลับมาเป็นเทพหรือมาเป็นมนุษย์ขึ้นขึ้ น, น, นลงลงอย่างนี้แล้วถ้าจิตได้ชำระตัณหาความอยากก็จะได้ไปเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆจนถึงขั้นพระอรหันต์ขั้นพระพุทธเจ้า จิต ท, ที่ได้ชำระอย่างสะอาดบริยสุดปราศจากความอยากต่างๆนี่เป็นจิต ท, ที่เป็นจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอาหารหันตสาวกนี่คือความสุขความเจริญต่างๆของจิตถ้าได้ทำความดีไม่ได้กระทำบาปแล้วก็ ถ้าทำบาปก็จะเสื่อมลงไปจากมนุษย์ต่ำกว่ามนุษย์ลงไปไปเป็นไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุ ร, รกายเป็นนรกขึ้นมานี่แหละคือผู้กระทำกรรมและผู้ที่รับผลของกรรมคือใจพวกเราที่กำลังฟังทำอยู่นี้เราไม่ได้เป็นร่างกาย ร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือที่เราใช้ในการที่เราจะทาอะไรต่างๆเรามีร่างกายเพราะเราต้องการที่จะหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสกเ<ม><ม>พราะเรายังมีความอยากที่เรียกว่ากามตัณหา<ม>ความอยากในกามคุณทั้งห้า กามมงคลทั้งห้าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผดภทพะเวลาเราได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดภทพะเราก็เกิดความสุขขึ้นมาใจนิเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดภทพะได้สองแบบด้วยกันเวลามีร่างกายก็เสบรูปเสียงกลิ่นรสผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกาย เวลาไม่มีร่างกายก็เสบรูปเสียงกลิ่นลดตามจินตนาการของใจเป็นเวลาร่างกายนอนหลับเวลาร่างกายตายไปนี้จิตก็ยังเสบรูปเสียงกลิ่นลดอยู่เสษในรูปแบบของของฝันความฝันความคิดความความนึกคิดที่จิตผลิตขึ้นมาที่เกิดจากการกระทาบุญหรือกระทาบาป อันนี้คือเรื่องของสวรรค์เรื่องของนรกเรื่องของกรรมเรื่องของผู้รับผลของกรรมคือเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเราเป็นผู้รู้สึกนึกคิดเรารู้สึกนึกคิดแล้วเราก็สั่งให้ร่างกายทำอะไรไปตามความรู้สึกนึกคิดของเรา แล้วเราก็บันทึกการกะระทำต่างๆของเราไว้ในใจแล้วการกะระทำต่างๆที่เราทำนี้มันก็จะเปลี่ยนใจของเราให้สะอาดขึ้นหรือให้สกปรกมากขึ้นให้สะอาดขึ้นให้สูงขึ้นหรือให้สกปรกมากขึ้นให้ต่ำลงถ้าทำบาป ก, ก็ทำให้ใจสกปรกมากขึ้นทำให้ใจต่ำลงถ้าทำบุญก็จะทำให้ใจสะอาดมากขึ้น ทำให้ใจสูงขึ้นไปเนี่ยนี่ก็เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดก็มีอยู่แค่ตรงนี้แหละพอเวลาใจตายไปเวลาร่างกายตายไปใจก็ไปเป็นเป็นเทพเป็นพรหมเป็นอริยเจ้าหรือไปเป็นเปตเป็นเดลชาญเป็นอสุรกายหรือไปนรก ตามอำนาจของบุญหรือของบาปที่ได้ทำเอาไว้แล้วพอได้ร่างกายอันใหม่ก็มาเกิดใหม่มาเป็นมนุษย์ใหม่ทำไมยังจงต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้ายังไม่ได้กำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจความอยากนี้ก็จะดึงให้ใจไปมีร่างกายอันใหม่ พอที่ไหนเขามีการสร้างร่างกายอันใหม่ขึ้นมาใจก็จะเข้าไปจับจองแล้วพอร่างกายนั้นจเจริญเติบโตในคันของมารดาเต็มที่ก็จะคลอดออกมาแล้วพอร่างกายจเจริญเติบโตใจก็จะใช้ให้ร่างกายนี้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพเพราะใจอันนี้เป็นเหมือนคนติดยาเสพติด สิ่งที่ใจติดก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะเวลาที่ไม่ได้มีรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะแล้วมันมันทรมานใจมันทุกข์ใจพอเวลาได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะแล้วมันสบายใจมันมีความสุขใจแต่มันก็เป็นความสุขความสบายใจเพียงชั่วคราว เดี๋ยวพอเกิดความอยากเสพขึ้นมาใหม่ก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาใหม่ก็ต้องใช้ร่างกายพาไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพไปอยู่เรื่อยๆไปจนถึงวันที่ไม่สามารถที่จะเสพได้คือวันตอนที่แก่ตอนที่เจ็บหรือตอนตอนที่ตายตอนนั้นก็จะพบกับความทุกข์ทรมานใจ แล้วก็พอตายไปก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่ช่วงที่รอรับร่างกายอันใหม่ก็เส บ, บุญเสบบาปไปก่อนถ้าบุญก็จะได้เสบเหตุการณ์ที่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นดีๆในใจที่เรียกว่าเป็นเหมือนความฝันก็ฝันดีไป ถ้าเป็นบาปก็จะพาให้ฝันร้ายไปจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่ก็เติ่นขึ้นมาใหม่ถ้าไม่อยากที่จะต้องกลับมาเกิดก็ต้อ ง, ต, องต้องกำจัดความอยากต่างๆความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขหารูปเสียงกลิ่นรสผดทพัท ก็ต้องตัดความอยากเหล่านี้ออกไปเป็นเหมือนกับการติดยาเสพติดถ้าติดยาเสพติดก็ต้องไปหายาเสพติดมาเสพอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเลิกติดยาเสพติดได้ก็ไม่ต้องไปหายาเสพติดอีกต่อไปเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้เป็นบุคคลแรกที่เข้าใจถึงเหตุที่ทำให้ ใจของพระพุทธเจ้าต้องมาเกิดอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิภณัณฑ์ต่างๆนี่พระพุทธเจ้าก็เลยสร้างกําลังใจขึ้นมาสร้างความสุขอีกแบบหนึ่งขึ้นมาสร้างความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือมาทดแทนความสุขที่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ พอพระองค์สร้างความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพระองค์ก็สามารถที่จะไม่เสบรูปเสียงกดลิ่นรสได้ไม่ต้องใช้ร่างกายได้ไม่ต้องมีร่างกายได้พอไม่ต้องไม่มีความอยากที่จะเสบรูปเสียงกดลิ่นรสผุดถภาแล้วการที่จะต้องมีร่างกายก็ไม่มีความหมายต่อไป ใจเวลาไม่มีร่างกายใจก็ไม่ไปรอรับร่างกายอันใหม่ใจอยู่เฉยๆได้อยู่กับความสงบเพราะมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการไปมีร่างกายไปเสพรูปเสียงเก็บนัดต่างๆนี่แหละคือสิ่งที่ไม่มีใครรู้ไม่รู้ว่ามาเกิดกันได้อย่างไร แล้วไม่รู้เกิดมาแล้วจะมาควรจะทำอะไรดีเพราะว่าความอยากความที่มันติดรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะมาหารูปเสียงกลิ่นรสเหมือนคนที่ติดยาเสพติดก็ต้องไปหายาเสพติดมาเสพอยู่เรื่อยๆผู้ที่ยังติดในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ต้องมาหารูปเสียงกลิ่นรสอยู่เรื่อยๆของพวกนี้ไม่ต้องมีใครสอน แล้วไม่เคยต้องถามใครว่าเกิดมาทำไมทุกคนเกิดมาแล้วก็อยากจะหารูปเสียงกลิ่นรสกันทั้งนั้นเพราะมันติดมาเป็นเวลาอันยาวนานติดเป็นจนฝังลึกเป็นนิสัยสันดานต้องมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่มาบอกให้เรารู้ถึงโทษของการที่เรามาเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ว่ามันทำให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆพอเรากลับมาเกิดแล้วเราก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันซึ่งไม่มีใครอยากจะพบกันทุกคนอยากจะเกิดแต่ไม่มีทุกคนไม่อยากจะพบกับความแก่ความเจ็บความตายกันแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นของที่มาด้วยกัน ถ้ามีการเกิดแล้วมันก็ต้องมีการแก่การเจ็บการตายถ้าไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายก็อย่ามาเกิดและการที่จะไม่มาเกิดก็ต้องเลิกเสพรูปเสียงกลิ่นลดผละภาหยุดความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลถภาเสียพระพุทธเจ้าก็เลยใช้การ ปฏิบัติทำการฝึกจิตให้สงบเป็นเครื่องมือต่อสู้กับความอยากถ้าจิตไม่สงบจิตไม่มีความสุขในตัวเองนี้จิตจะต้องเดินไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแต่ถ้าจิตมีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วจิตก็สามารถไม่หยุดการไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพได้เพราะมีความสุขในตัวแล้ว เหมือนกับคนที่มีอาหารอยู่ในบ้านเนี่ยถ้ามีอาหารอยู่ในบ้านรับประทานก็ไม่ต้องออกไปหาอาหารนอกบ้านแต่ถ้าในบ้านไม่มีอาหารให้รับประทานก็ต้องออกไปหาอาหารนอกบ้านมารับประทานฉันใดถ้าเรามีความสุขในใจแล้วเราก็จะไม่ต้องไปหาความสุขนอกใจคือความสุขทางร่างกาย ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะต่างๆนี่นะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ได้ส่งค้นพบส่งค้นพบเหตุที่ทำให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายกันและส่งค้นพบวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะ วิธีที่จะทำให้เราสู้กับความอยากที่จะเสพเลืเสียงกลิ่นรสผธพภะได้คือการทำใจให้สงบพอใจเราสงบแล้วใจของเราจะมีความสุขแล้วพอมีความอยากไปเสพเราก็จะขืนมันได้สู้มันได้หยุดมันได้ไม่ทำตามมันได้เวลาเกิดความอยากจะเสพเราก็ทำใจให้สงบ พอใจสงบความอยากจะเสพมันก็จะหยุดไปหายไปแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องมีร่างกายเนะพราะเราไม่ต้องเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดผลาญแล้วเราหยุดความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดผลาญได้ด้วยการทําใจให้สงบนะวเวลาใจสงบแล้วใจจะมีความสุขในตัวเองจึงไม่จําเป็นที่จะต้องหาความสุข นอกใจไม่ต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒนาต่างๆดังนั้นถ้าเราอยากจ ะ, ะยุติการเวียนว่ายตายเกิดยุติความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องมาสร้างความสุขอีกรูปแบบหนึง่ง คือความสุขที่เกิดจากความสงบนี่เองวิธีที่จะทําใจให้สงบได้เราต้องหยุดคิดให้ได้วิธีที่จะหยุดคิดนี่เราต้องมีอะไรควบคุมใจให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธหรือให้อยู่กับร่างกาย เวลาที่ร่างกายเวลาที่เราตื่นขึ้นมาเราต้องใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆเราก็ควรอยู่กับร่างกายอย่าไปอยู่ที่อื่นส่วนใหญ่เราจะวิ่งไปวิ่งมาระหว่างร่างกายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วตื่นขึ้นมาพอเข้าห้องน้าล้างหน้าล้างหน้าไปก็อยู่กับการล้างหน้าปั๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วก็กลับมาที่ล้างหน้าวิ่งไปวิ่งมากลับไปกลับมาอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ใจจะนิ่งไม่ได้ใจจะสงบไม่ได้ถ้าอยากจะให้ใจสงบนี้ใจต้องอยู่กับเรื่องเดียวเช่น อ, อยู่กับร่างกายร่างกายกำลังล้างหน้าก็ให้ล้างหน้าให้ใจเฝ้าดูการล้างหน้าของร่างกายไปเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงว่าจะไปกินอาหาร อะไรดีจะไปทำอะไรดีในวันนี้ไปพบกับใครหรือคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเมื่อวานนี้ว่าไปทำอะไรมาบ้างไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆให้จดจ่ออยู่กับการกระทาของร่างกายในทุกอิริยาบถในทุกการกระทำร่างกายกำลังทำอะไรก็ให้ทำกับร่างกายไปกำลังร่างหน้าก็ ล้างหน้าไปกับร่างกายอาบน้ําก็อาบน้ําไปกับร่างกายหวีผมก็หวีผมไปกับร่างกายแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไปกับร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าทําอย่างนี้ได้ใจจะนิ่งใจจะหยุดคิดได้จะหยุดคิดได้อย่างเต็มที่ก็ต้องนั่งเฉยๆเพราะเวลา ร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่นี้ใจยังทำงานอยู่ใจยังไม่หยุดใจยังต้องสั่งให้ร่างกายเดินต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวของร่างกายอยู่ถ้าเราต้องการให้หยุดคิดอย่างเต็มที่เราก็ต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาไม่รับรู้เรื่องราวที่จะเข้ามาทางตาหูจมูกมืนกายให้จดจ่ออยู่กับเรื่องเดียว เวลานั่งอยู่ก็ให้ดูลมหายใจเพราะตอนนั้นนั่งกายไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วก็เลยดูสิ่งที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ก็มีลมหายใจนี้ที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ยังมีลมเข้าลมออกอยู่ก็นั่งดูเฝ้าดูลมเข้าลมออกไปแบบเดียวกับที่เราดูร่างกายแล้วก็อย่าให้ไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าเราสามารถควบคุมใจให้อยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวได้ใจก็จะค่อยๆรวมเข้ามาเป็นหนึ่งพอใจรวมได้เต็มที่ใจก็จะนิ่งสงบแล้วก็ปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางลมหายใจไปใจก็จะสงบตัวไม่รับรู้อะไรจะจะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างมีความสุข นี่แหละคือวิธีสร้างความสุขให้เกิดขึ้นมาภายในใจด้วยการหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆด้วยการเจริญสติ เ, เวลาที่เราคอยคุมคอยเฝ้าดูร่างกายนี้เรียกว่าเรากาลังเจริญสติเรียกว่ากายะกะตาสตเิเวลาที่เราดูลมหายใจเข้าออกเราก็เรียกว่าอนาปณสติ อนาปานะนี้แปลว่าลมเข้าลมออกสติให้มีสติอยู่กับลมเข้าลมออกสติก็คือการรับรู้คือการรู้การเฝ้าดูเรียกว่าสติให้เฝ้าดูลมหายใจเข้าออกแล้วจะหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้ถ้าเราเฝ้าดูเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเราไปคิดก็แสดงว่าเราไม่ได้เฝ้าดูลมหายใจเข้าออกแล้ว เราก็ต้องดึงกลับมาดูลมหายใจเข้าออกทําอย่างนี้ไปใหม่ๆมันจะวิ่งไปวิ่งมาเราก็พยายามดึงมันไว้ให้มันอยู่กับร่างกายไปตลอดเวลาให้อยู่กับร่างกายว่ากําลังทำอะไรก็ทากับร่างกายไปกาลังเดินก็เดินไปกับร่างกายกำลังยืนก็ยืนกาลังนั่งก็นั่งอย่าไปที่อื่นให้อยู่ที่ร่างกาย ถ้าดึงไม่ได้มันจะไปก็ลองใช้พุทธโธดึงมาแทนใช้พุทธโธแล้เลือกถึงคำว่าพุทธโธพุทธโธไปไม่ว่าเรากำลังทำอะไรก็ให้มีพุทธโธกํลังกลับใจไปด้วยแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปด้วยเช่นเวลาเราขับรถนี่เราก็ยังต้องดูการขับรถแล้วก็มีพุทธโธคอยดึงใจไม่ให้ไปดูเรื่องอื่นไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่น ให้มันมาดูอยู่ที่การขับรถเพียงอย่างเดียวถ้ามันไม่ไปที่อื่นเราก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้ให้เฝ้าดูการขับรถไปเพียงอย่างเดียวถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราจะมีสติทำได้นานทาได้มากสติก็จะมีกำลังมากพอเวลามานั่งหลับตานี้มันก็จะนิ่งได้เร็วนิ่งได้นานสงบได้นานมีความสุขได้นาน พอเรามีความสุขแบบนี้แล้วเราก็จะค่อยๆเลือกหาความสุขทางด้านตาหูจมกูกนิ้นกายได้ทุกครั้งที่เราอยากจะมีความสุขเราก็ไปนั่งสมาธิแทนแทนที่จะไปดูหนังฟังเพลงก็นั่งสมาธิแทนแทนที่จะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็ไปนั่งสมาธิแทนแทนที่จะไปซื้อข้าวซื้อของพุ่มเฟยต่างๆ ของที่ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อก็นั่งสมาธิแทนไปแล้วจะมีความสุขแล้วต่อไปความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆมันก็จะหมดไปพอหมดไปแล้วก็ไม่ต้องใช้ร่างกายอีกต่อไปร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะแก่หรือไม่แก่ก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็จะไม่เดือดร้อน ร่างกายจะตายหรือไม่ตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วสามารถหาความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเวลาร่างกายแก่ก็ยังมีความสุขได้เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่ว ย, ก, ย, ว ก, ย, ยก็มีความสุขได้เวลาร่างกายตายก็มีความสุขได้แล้วก็ไม่ต้องมีไม่ต้องลดไปรอรับร่างกายอันใหม่อีกต่อไป พอไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เนี่นี่แหละคือวิธีที่สร้างความสุขข้างความเจริญเรียกว่าบุญที่สูงสุดคือบุญที่เกิดจากการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยการสร้างความสงบสุขของใจขึ้นมาคือการเจริญสติ นั่งสมาธิพอเรานั่งสมาธิทาใจให้สงบได้เราก็จะเลิกความอยากต่างๆได้พอเราเลิกความอยากต่างๆได้แล้วเราก็ไม่ต้องมีร่างกายอีกต่อไปร่างกายจะเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนนี่แหละเป็นเรื่องของกรรมการ การทานี้เป็นกรรมการเจริญสตินี่ก็เป็นกรรมแต่เรียกว่าเป็นกรรมดีเป็นมนโนกรรมเป็นการกระทำทางใจโดยตรงคือสติการนั่งสมาธิทำใจให้สงบก็เหมือนกันเป็นการกระทำทางใจทำใจให้สงบแล้วผลของความสงบคือบนอันยิ่งใหญ่ก็ปรากฏขึ้นมาสวรรค์อันยิ่งใหญ่สวรรค์ ที่สูงสุดคือความสงบนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วการหยุดความอยากต่างๆก็จะทำให้ความสงบของใจนี้อยู่ไปได้อย่างถาวรผู้ที่จะมาทำลายความสงบนี้ก็คือความอยากนี้เองเวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจก็จะเริ่มวุ่นวายขึ้นมาเริ่มกระวนกระวายกระสับกระส่ายขึ้นมา กุดหงิดนำคาญใจขึ้นมาเวลาอยากเดิมกาแฟอยากไปเที่ยวอยากจะสูบบุหรี่อยากจะทําอะไรพอยังไม่ได้ทํานี้ใจมันจะหงุดหงิดมันจึงต้องไปทํากันเพื่อให้มันหายกงุดหงิดแทนที่จะทําให้การแทนที่จะกําจัดความหงุดหงิดด้วยการหยุดความอยากด้วยการทําใจให้สงบเรากลับไม่ทํากันเรากลับไปทําตามความอยาก พอไปทำตามความอยากความอยากมันก็เลยไม่หมดมันเหมือนกับไปการไปต่ออายุให้กับความอยากพออยากแล้วไปทำตามมันเดี๋ยวความอยากใหม่มันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราเวลาเกิดความอยากแล้วเราเกิดความหงุดหงิดเราก็กำจัดความหงุดหงิดด้วยการไปทำใจให้สงบใช้สติหยุดความคิดหยุดความอยาก พอความคิดความอยากหยุดไปใจก็สงบมีความสุขดีกว่าไปทําตามความอยากเพราะการจะไปทําตามความอยากก็ต้องมีอะไรหลายอย่างเช่นต้องมีร่างกายอยากจะดูก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงไปดูอยากจะไปเที่ยวถ้าไม่สบายหรือแก่ก็ไปไม่ได้หรือว่าถ้าร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ แต่ไม่มีเงินก็ไปไม่ได้อีกนะสู้มานั่งเฉยๆทำใจให้สงบดีกว่าได้ประโยชน์มากมายกายกองยิ่งกว่าการไปทำตามความอยากเพราะนอกจากได้ความสงบได้ความสุขแล้วยังได้กำจัดความอยากให้มันหมดไปได้ด้วยต่อไปเวลาไม่มีความอยากแล้วไม่ต้องมานั่งสมาธิไม่ต้องมาทำใจให้สงบ ใจจะสงบของมันไปเองโดยธรรมชาติเนี่ยที่ใจไม่สงบที่ใจวุ่นเหงี่ยงลำคาญก็เพราะความอยากต่างๆที่เรามีอยู่ในใจนี้เองพอเรากําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจหมดไปแล้วใจจะสงบอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิใจจะมีความสุขความสบายตลอดเวลาตัวที่มาทําให้ใจไม่สุขไม่สบายให้วุ่นวายก็คือความอยาก ต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้เองเราจึงต้องกำจัดมันวิธีกำจัดมันก็คือต้องไม่ทำตามมันเท่านั้นเองมันอยากจะดูอะไรก็ไม่ดูอยากจะฟังอะไรก็ไม่ฟังอยากจะเดิมอะไรก็ไม่เดิมมันแล้วต่อไปมันก็จะหมดกำลังไปเองที่มันไม่หมดก็เพราะเราทำตามมันมันอยากดูเราก็ดูอยากฟังเราก็ฟัง อยากดื่มเราก็ดื่มมันเลยยังอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยู่มาจนถึงวัดนี้ลองไปทำดูลองไปหยุดดูเวลาอยากดูก็อยากดูถ้ามันทรมานก็ใช้สติหยุดความทรมานหยุดความหงุดหงิดด้วยการพุโทโธพุโทโธไปด้วยการนั่งสมาธิไปถ้าเรานั่งสมาธิได้แล้วเราจะกําจัดความหงุดหงิดที่เกิดจากความอยากได้ แล้วเราไม่ต้องไปทําตามความอยากแล้วความอยากมันก็จะหมดกําลังไปในที่สุดพอไม่มีความอยากแล้วเราก็ไม่ต้องพุโทโธไม่ต้องใช้สมาธิไม่ได้นั่งสมาธิเพราะใจไม่มีความหงุดหงิดไม่มีความลำคาญใจไม่มีความาทะเยอทะยานไม่มีความวุ่นวายต่างๆที่เกิดจากความอยากใจก็จะเป็นเหมือนน้ำที่นิ่ง น้ำนิ่งเพราะอะไรเพราะไม่มีใครไปเล่นน้ำกันถ้ามีคนกระโดดลงไปเล่นน้ำไปไว่ายน้ำน้ำมันก็จะไม่นิง่งความอยากนี่ก็เป็นเหมือนกับคนที่เล่นน้ำพอ เ, เกิดความอยากมันก็ทําให้ใจนี้ที่เป็นเหมือนน้ํานี้มันกระเพื่อมขึ้นมาอใจมันก็เป็นคลื่นขึ้นมามันก็ทําให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาพอเราหยุดความอยากได้ไม่ให้คน กระโดดลงไปในน้นําได้ห้ามคนแม่กระโดดลงไปในน้ําเดี๋ยวน้ํามันก็นิ่งเองถ้าเราหยุดความอยากต่างๆได้ต่อไปใจเราก็จะนิ่งจะสงบจะสบายไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสัตวได้ทรงค้นพบกรรมดีที่เรียกว่าบุญะ บุญที่เกิดจากการได้ชำระความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วก็บุญที่เกิดจากการไม่ทำบาปทั้งปวงและบุญที่เกิดจากการทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมอันนี้แหละเป็นการสร้างบุญสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจขึ้นไปตามลาดับเราต้องทาไปตามขั้นตอน กานตอนแรกก็คือไม่ทําบาปเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้ใจเราไปตกต่ํำรักษาศีลห้าให้ได้แล้วใจเราจะไม่ลงไปสู่อบายพอรักษาศีลห้าได้แล้วอยากจะขึ้นไปสู่กว่ามนุษย์ก็ทําบุญกันทําความดีกันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ด้วยกันใครทุกข์ใครเดือดร้อนลําบากมีอะไรพอจะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไป อันนี้ใจก็จะเป็นเทวดาขึ้นมาแล้วถ้าอยากจะสูงไปสูงกว่าเทวดาก็ต้องไปหามุมสงบไปนั่งเฉยๆไปหยุดความอยากหยุดหยุดการทำกิจกรรมตามความอยากเช่นไปร่วมหลับนอนกับคนนั้นกับสามีของตนภรรยาของตนหรือการไปรับประทานอาหารมากเกินไปรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วก็ต้องกดไปไป ไม่ไปหาความสุขจากมหรศลศพบันเทิงต่างๆไม่ไปหาความสุขจากการทำหน้าทำตาแต่งเนื้อแต่งตัวทำเเผาทำผมทาด้วยน้มันน้าหอมอะไรต่างๆไม่หาความสุขจากการนอนบนเตียงสบายพูกหนาๆนอนนี้ต้องการนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายไม่ต้องการหาความสุขจากการหลับนอน จะหาจะหาความสุขจากการมาทำใจให้สงบเราก็จะได้ความสุขที่สูงกว่าความสุขที่ได้จากการทำบุญทำความดีต่างๆแล้วถ้าอยากจะได้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ให้สงบไปอย่างถาวรก็ต้องคอยกำจัดความอยากต่างๆที่จะมาคอยทำให้ความสงบที่ไดจากความความสุขที่ไดจากความสงบนี้หายไป โดยการใช้ปัญญาสอนใจว่าการทำตามความอยากนี้จะทำให้ใจกระเพื่มทำให้ใจงดหงิดลำคาญใจจะกำจัดความความกระเพื่อมความหงุดหงิดได้เพียงชั่วคราวเวลาทำตามความอยากเดี๋ยวไม่นานความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาอีกความหงุดหงิดความลำคาญใจความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นมาใหม่อีก วิธีที่จะทําให้ใจไม่หกรธเกลียดลำคาญใจก็ต้องไม่ไปทําตามความอยากถ้ามันลาคาญก็ใช้สมาธิใช้สติเข้ามาช่วยดึงกลับให้ใจสงบมาพอใจสงบแล้วความอยากความหกรธเกลียดก็หายไปแล้วถ้าเราไม่ได้ไปทําตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหมดกําลังไปนี่ก็จะทําให้ใจเราได้เป็นใจที่สะอาดใจที่บริสุทธ เป็นใจที่สูงสุดจนใจที่มีความสุขมากที่สุดคือใจที่เป็นนิพพานที่ขึ้นมาใจที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี้คือนิพพ า, านนิพพานนี้เป็นความสุขที่สูงสุดเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดและเป็นสวรรค์ที่ไม่มีวันเสื่อมเหมือนกับสวรรค์ชั้นพรหมหรือชั้นเทพกที่ยังต้องมีความเสื่อมอยู่ เพราะยังมีตัวที่ทาให้เสื่อมก็คือความอยากต่างๆนี้เองแต่พอกาจัดความอยากต่างๆนี้ได้แล้วความสุขความสงบนี้ก็จะไม่มีวันเสื่อมอีกต่อไปมันจะสงบไปตลอดมันจะสุขไปตลอดนิ บ, บานังปรลมังสุขขังไปตลอดนี่คือการสร้างบุญกุศลอันสูงสุดการสร้างบุญทั้งสามสามประเภทด้วยกัน บุญที่เกิดจากการไม่ทําบาปบุญที่เกิดจากการทําบุญทําความดีต่างๆและบุญที่เกิดจากการชําระความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจจะทําให้ใจของเรานี้มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือผลที่จะเกิดจากการที่เรามีศรัทธาความเชื่อ ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเราละการกระทําบาปทั้งปวงยังบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะนี่คือวิธีที่จะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าได้กระทาบุญทั้งสามประการนี้แล้วได้ทำกรรมทั้งสามประการนี้แล้วคือละการกระทำบาปสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ใจก็จะได้ถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานที่ไม่มีวันเสื่อมที่ไม่ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละ คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบเนี่ยอย่าไปดูผลของบุญของบาปที่ร่างกายที่ภายนอกดูที่ใจนี่ใจนี่แหละเป็นผู้กระทาบุญกระทาบาปแล้วก็เป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปถ้าทำบาปก็ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นนรกถ้าทำบุญก็ไปเป็น เทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอริยะเจ้าพระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเกิดจากการกระทําของใจนี้เองไม่ได้เกิดจากใครทั้งนั้นไม่มีใครที่จะมาทําให้เราไปเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นอสุรกายเป็นนรกได้นอกจากการกระทําบาปของเราเองและไม่มีใคร ทำให้เราไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยะเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าได้นอกจากการกระทำของเราเองพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าด้วยพระองค์เองไม่มีใครทําให้พระพุทธเจ้าจากการเป็นเจ้าชายศิทธะมากลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่มีใครมานั่งนั่งสวดนั่งเป่าแล้วนั่งเพ่งแล้วนั่งบอกว่าต่อไปนี้เธอเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว เป็นไปไม่ได้ไม่มีใครสามารถที่จะมาเสกมาเป่าให้ใจของเราเป็นอะไรไปต่างๆได้สิ่งที่จะทำให้มาเรามาเป็นอะไรต่างๆนี้คือกรรมนี้เองหลังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ให้เป็นอะไรไปต่างๆกรรมเป็นผู้ทำให้สัตว์ได้ไปเป็นเปรตเป็นเลนฉานเป็นอสุรกายเป็นนรกเป็นเทศเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคล ก็คือกรรมนี้เองกรรมนี้คือการกระทำถ้าการกระทำที่เป็นบุญก็จะทำให้ไปสู่สุขคติเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยะเจ้ากันถ้ากรรมที่เป็นบาปก็จะพาให้ไปสู่ทุกขคติหรือไปอบายให้ไปเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นอสูรกายเป็นนรกกันกรรมเท่านั้นเป็นผู้กระทำเป็นผู้สร้างสัตว์ทั้งปวงขึ้นมา ถ้าใครถามว่าสัตว์ทั้งหลายนี้ใครเป็นผู้สร้างทางพุทธศาสนาก็บอกว่ากรรมนี่แหละเป็นผู้สร้างสัตว์ชนิดต่างๆขึ้นมาสร้างเดรัจฉานสร้างเปรดสร้างอสุรการสร้างสัตว์นรกสร้างเทวดาสร้างพรมสร้างอะไรต่างๆขึ้นมากรรมทั้งนั้นมนุษย์ก็กรรมเป็นผู้สร้างคือความอยาก อยากในอยากเสพรูปเสียงกลิ่นก็ต้องมาเป็นมนุษย์มามีร่างกายของมนุษย์ไม่มีพระเจ้า พ, พระเจ้าก็คือกรรมนี้เองไม่ใช่ใครที่ไหนจะเรียกว่ากรรมก็ได้จะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้ที่เป็นผู้สร้างสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาสัตว์ชนิดต่างๆขึ้นมาคือกรรมนี้เองดังนั้นขอให้เราเชื่อกดแห่งกรรมแล้วพยายามควบคุมการกระทาของเรา ให้ไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงให้กระทำบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วใจจะได้พัฒนาขึ้นไปสู่สุดสูงสุดได้ความสุขความเจริญขั้นสูงสุดคือขั้นพนิพพานขั้นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตสาวก พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตาสาวกนี้จิตของท่านเหมือนกันคือจิตถึงนิพพานเหมือนกันแต่ต่างชื่อกันตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทําจิตของพระโอเองให้เป็นนิพพานขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีใครสอนเพราะไม่มีใครรู้เลยต้องสอนตัวเองส่วนผู้อื่นคือพระอรหันตาสาวกนี้ต้องอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้า จึงสามารถทําใจให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นนิพพานขึ้นมาได้ต่างกันแค่ตรงที่ว่ า, ามีคนสอนหรือไม่มีคนสอนพระพุทธเจ้าไม่มีคนสอนเราก็เลยเรียกพระพุทธเจ้าว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ได้ถึงพระนิพพานด้วยพระองค์เองส่วนพระอรหันตสาวกนี้เป็นผู้ที่ได้ถึงนิพพานจากการสั่งการสอนของพระพุทธเจ้าต่างกันแค่ตรงนั้น แต่ใจเหมือนกันใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นนิพพานเหมือนกันไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันไม่มีความทุกข์เหมือนกันมีบรมมสุขเหมือนกันต่างเพียงแต่อการได้มาเท่านั้นเองการได้มาของพระพุทธเจ้านี้ต้องได้มาด้วยพระองค์เองต้องศึกษาค้นคว้าหาเองส่วนการได้มาของพระอรหันตสาวกนี้ได้มาจากการบอกทาง ของพระพุทธเจ้าเ mm hmm. อภาษาโลกนี้จึงง่ายกว่าพระพุทธเจ้ามาก mm hmm. เพราะว่าเหมือนกับคนตาบอดพระพุทธเจ้าเหมือนคนตาบอดแต่ไม่มีคนนําทางต้องหาคําหาทางเองส่วนพระอรหันต์นี้เป็นเหมือนคนตาบอดที่มีคนนําทางจึงไปถึงที่หมายปลายทางได้อย่างง่ายดายและร ว, วดเร็วกว่าพระพุทธเจ้า mm hmm. พวกเราจึงถือว่าเราเป็นหนี้บุญคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก เพาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่มีวันที่จะไปถึงพระนิพพานได้เลยแต่ตอนนี้เรามีคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่สามารถจะพาเราให้ไปถึงพระนิพพานได้เราจึงควรที่จะสํานึกในบุญคุณอันยิ่งใหญ่และตอบสนองบุญคุณของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าปฏิบัติบูชาแล้วเราก็จะได้ รับอันรับผลอันยิ่งใหญ่คือการได้ไปถึงพระนิพพานเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ไปถึงจะทำให้การเสียสละของพระพุทธเจ้านี้คุ้มค่าคือไม่เสียเปล่าไม่เสียเวลาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอุตส่าห์พยายามสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายให้ไปถึงนิพพานกัน ดังนั้นก็ขอให้ท่านจงนำเอาเรื่องราวของกฎแห่งกรรมนี้ไปพิจิติพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญของจิตใจที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอ ยะถาวาริวะหาปุราปาิปุเรนติสาคะรังเอวเมวะอิตโตทินางเปตานังอุปการปติอิชิตตังปฏิตังตุมห um ังคิปะเมวะสุิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันทูปนาระโสยะถามณิโจติ อระโสยะาสภีติโยวิวาจาตุสัพพโลกวินาศตุมาเตภวัตะวันตระยอสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสานิจจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวันโอสุขัง าาลอ่วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่304คนค่ะ YouTube 110คนค่ะแล้วก็สมาชิกไลน์ตอนนี้เป็น4972คนค่ะแล้วก็วันนี้ที่ทดลองถ่าย Instagram ได้5คนค่ะ5คนอ่ะที่นี้ Instagram มันข้อจำกัดคือถ่ายได้แค่ชั่วโมงเดียวอ๋อชั่วโมงเดียวต่อมา ก็ตอนนี้ก็มีอยู่สองคนครับอันนี้เป็นอันที่พระบอมเขาเปิดบัญชีขึ้นมาอ่ะที่เปิดเมื่อคืนนี้ยอ่าเปิดขึ้นม า, มาอก็มีหลายทางเลือกใครเล่นอินสตาแกรมก็สามารถเข้ามาได้ติดตามได้โพสต์ Post อะไรได้เหมือนกับไลน์นี่เลยเหมือนเลยครับอ่เหมือนกันก็ตอนนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาถามใครมีคําถามอยากจะถามก็ถามได้ในช่วงนี้เลย ถามไปไดจนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมหลังจากเลิกประชุมแล้วก็ขออนุญาตางดการถามตอบปัญหาถ้าไม่อยากจะมาถามเองเขียนข้อความเข้ามาก็ได้แล้วให้คนอื่นเขาอ่านให้เขียนแต่ขอความกรุณาเวลาเลิกประชุมแล้วก็ขอยุติถ้ายังไม่มีใครอยากจะถามปัญหาตอนนี้ก็จะให้อพิธีกรหรือเจ้าหน้าที่ ทีมงานช่วยอ่านคำถามที่ส่งมาจากทาง y o u t u ู e หรือ Facebook เอาก่อนก็นได้อยากจะถามช่วยจขยับมาหน่อยมามาก็ม า, มาใกล้ๆหน่อยก็นได้กับนามาตการครับอาจารย์ผมมีคำถามการปฏิบัติขอถามต่อครับคือว่านั่งสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้ว สักพักหนึ่งเนี่ยความรู้สึกก็คือตัวหายไปหมดเลยแล้วก็สติยังอยู่อยู่ที่ลมรู้แค่ว่ามีลมวิ่งเข้ากับวิ่งออกเป็นเวลาประมาณ5้ 10, ถึงน่าจะประมาณไม่เกิน1 0นาทีทีนี้เนี่ยตอนนั้นก็ถามตัวเองว่าตัวอยู่ที่ไหนก็ไม่เห็นตัวเองทีนี้พอประมาณ5้ถึงนาทีไปแล้วเนี่ยจูจ่ๆก็รู้สึกว่ามีร่างกายกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาอยู่สภาพเดิมคาถามก็คือว่าผมต้องปฏิบัต ตัวยังไงต่อไปด้ครับออตอนที่มันสงบอย่าไปถามอะไรให้มันสงบนานๆอย่าคิดนะออจิตมันว่างมันไม่มีร่างกายก็ให้มันมีสติดูไป เ, ยเฉยๆดูลมไปเฉยๆถ้าดูลมได้ก็ดูไปเฉยๆอย่าไปคิดอย่าไปอะไรพอคิดปั๊บเดียวมันก็กลับออกมาเราต้องการให้มันสงบให้มันว่างไปนานๆให้เป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงอะไร อย่าไปนั่งคิดพอจิตสงบจิตว่างแล้วพยายามปล่อยให้มันว่างให้มันสงบไปนานๆถ้าเกิดหลังจากที่มันถอนขึ้นมาแล้วเนี่ยเราควรที่จะคิดไปในทางปัญญาเราหรือยังครับคิดได้ก็คิดคิดว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องตายเนี่ยคิดอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการสามสิบสองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามะให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนั้นคิดจนกระทั่งจําได้เรามักจะลืมมันพอเราไม่คิดถึงมันเราก็ลืมเราก็จะคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆขอให้คำถามนะครับจากคําถามเมื่อกี้นี้ก็คือว่าจะทําอย่างไรให้เราทําแบบนี้เกิดขึ้นจํานวนซ้ำๆครั้งได้บ่อยๆครับก็ต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนไง ไม่ไปทำภารกิจอย่างอื่นก็ทำแต่สองอย่างเนี้ยนั่งสมาธิกับเจริญปัญญาเวลานั่งสมาธิก็ทำใจให้นิ่งนานๆเพราะความนิ่งนี้เป็นความสุขและเป็นพลังพอออกมาก็จะได้ใช้พิจารณาปัญญาเพื่อจะได้ต่อสู้กับความอยากต่างๆเช่นความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าเราเห็นว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็จะได้หยุดความอยากได้ เราจะได้ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายความท like, ุกข hmm. ์เกิดจากความอยากไม่ denied, แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะไม่เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแือถ้าเห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตลอดเวลามันก็จะไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วมันก็จะไม่ทุกข์เวลาเจอความแก่ความเจ็บความตาย พิจารณาอยู่เรื่อยๆไม่ใช่เพาะร่างกายของอะไรที่เราลักเราหวงเราห่วงนั้นต้องพิจารณาว่าไม่เที่ยงทั้งนั้นต้องมีการจบลงมีการสิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองงานการที่เราทําอยู่มันก็ไม่เที่ยงมันดีขึ้นดีก็จะต้องออกจากงานไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีใครทํางานไปตลอดไม่มีใครมีอะไรไปตลอด ของทุกอย่างที่เรามีในวันหนึ่งเราจะต้องไม่มีคิดไว้เตือนใจสอนใจหรือถ้าเวลาเจอเจอการสูญเสียจะก็เอาปัญญานี่มาใช้เนี่ยเห็นไมตกงานจะได้รู้ว่างานนี้มันไม่เที่ยงมันอันนี้จังมันมีวันสิ้นสุดแฟนทิ้งไปก็ไม่เที่ยงแฟนก็ไม่เที่ยงแฟนก็อันนี้จัง ของทุกอย่างอันนี้จังหมดของที่เรามีตอนเนี้ยมีอยู่วันนี้พวกนี้อาจจะไม่มีแล้วก็ได้แต่เรารู้ล่วงหน้าเราเวลาไม่มีเราก็ไม่ตกใจไม่เสียใจแต่ถ้าไม่เราไม่คิดลุ้นล่วงหน้าก่อนพอไม่มีขึ้นมาก็เสียใจทุกใจขึ้นมาขอบพระคุณครับคำถามจาก facebook live ค่ะจากคุณจิตากราบเรียนถามค่ะนั่งสมาธิไปได้สักพัก มาเกิดอาการนิ่งเงียบหายไปเหมือนเหมือนหลับค่ะคือดับสนิทเลยค่ะสักพักนึงก็เริ่มรู้ตัวแต่ใจยังอยู่ในสมาธิดีอยู่เลยค่ะขอถามค่ะอาการนิ่งหายไปแบบนี้จะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะก็มันสุกหรือไม่สุกล่ะดูตรงนั้นถ้านิ่งแล้วสุกก็ดีถ้านิ่งแล้วไม่สุกก็ยังไม่ดียังไม่ใช่เป็นความนิ่งจริงอาจจะเป็นความหลับก็ได้ถ้าหลับมันก็ไม่สุกมันไม่รู้อะไร ถ้ามันนิ่งแล้วมันมีความสุขและรู้ว่ากําลังมีความสุขมากอันนั้นก็เรียกว่าสมาธิคําถามจากคุณสมสรกรณีคนในครอบครัวคือพี่เขยขโมยทรัพย์มากมายของแม่ยายโดยที่พี่สาวก็รู้แต่ไม่ห้ามนําทัพย์มาไว้ใช้เลี้ยงครอบครัวตนเองเช่นนี้กราจะตกไปถึงพรรยาและลูกด้วยหรือไม่คะถ้าบรรยาไ ม, ไม่ได้ร่วมกับถมก็ไม่ตก ถ้าไม่ได้สั่งให้สามีไปทำก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีส่วนแต่ถ้ามีคำสั่งบอกเขาให้ไปทำหรือทำเองทำร่วมกันอย่างนี้ก็จะมีกรรมเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของสามีคนเดียวคนที่ได้รับประโยชน์นี้จะไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่มีผล เช่นพ่อไปขโมยเงินมาเลี้ยงลูกเนี้ลูกไม่ได้รับผลของกรรมของพ่อกรรมตกอยู่ที่พ่อพ่อไปหาเงินโดยวิธีที่ไม่ชอบอเวลาตำรวจจับเขาก็ไม่จับลูกไปครั้งในคุกในตารางเขาก็จับแต่คนที่ไปขโมยหรือคนสั่งให้ไปขโมยสมรู้ร่วมคิดกันเนี่ยคำถามจากคุณอ้อยค่ะสมาธิในอริยมรรคนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใดคะ อ๋อก็ต้องเกิดจากตอนที่เรามาฝึกสติกันเองอ่ะพุโทโธพุโทโธนั่งสมาธิกันพอนั่งสมาธิจิตสงบมันก็เป็นสมาธิสมาธิในอริยมรรคก็ก็คือสมาธินี่แหละมันไม่มีในในในอ ใ, ในอริยหรือไม่ในอริยน่ะสมาธิมันเป็นเรื่องของสมาธิมันไม่เกี่ยวกับอริยมรรคมันคนละส่วนกันอา่าคำถามถัดไปค่ะคําว่าผู้รู้ในสายธรรมยุทธ์นั้นคือสติใช่ไหมคะ ผู้ถูกรู้นั้นเราจะย้อนดูได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติได้จนเป็นมหาสติแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกผู้รู้ผู้รู้คือใจสติคือผู้กาหนดให้ใจรู้อีกทีนึงเป็นผู้บังคับควบคุมใจใ ห, ให้รู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่ว่าสติแตผู้รู้คือใจคำถามจากคุณวิชัยขอสอบถามครับเวลาปฏิบัติทำนั่ง นั่งภาวนาจนจุกที่ลิ้นปี๋ทำให้นั่งลำบากจึงอยากให้พระอาจารย์แนะนำแนวทางปฏิบัติด้วยครับถ้าดูลมที่ลิ้นปีก็อย่าไปดูมันดูที่ปลายจมูกแทนถ้าดูดูลมถ้านั่งแล้วมันจุกอาจจะต้องหาสาเหตุว่ามันเป็นสาเหตุทางร่างกายหรือทางทางใจถ้ามันเป็นทางร่างกายก็ต้องไปหาหมอคือว่าถ้ามันจุก ทุกเวลาไม่ว่าเวลาจะนั่งหรือไม่นั่งมันจุกก็ต้องไปหาหมอแต่ถ้ามันจุกขึ้นมาเฉพาะตอนนั่งมันก็เป็นเรื่องของมารก็อย่าไปสนใจเหมือนใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับอาการจุกเดี๋ยวมันก็หายไปถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันคำถามจากคุณทีระติการที่เรามีเงินมีสิ่งทรัพแตเราไม่อยากได้ของมีค่าหรูหรา เรายังขับรถเก่าๆใช้นาฬิกาถูกการไม่อยากใช้ของหรูหราแพงๆคือวิภาวะตัณหาหรือเปล่าครับก็แล้วแต่มันเป็นได้หรือเป็นธรรมก็ได้ถ้าเราอยู่ที่ว่าเราใช้ด้วยเหตุผลหรือใช้ด้วยอารมณ์คือถ้าเราใช้ด้วยความเสียดายเงินความตนีอันนี้ก็เป็นวิภาวะตัณหาแต่ถ้าเราใช้เพราะว่ามันใช้ได้ไม่จาเป็นจะต้องเป็นของใหม่ของหรู ใช้ด้วยเหตุด้วยผลเราก็เรียกว่ามากน้อยสันโดษนก็แล้วแต่ว่าเราใช้แบบไหนบางคนตันหนีเพราะเสียดายเงินหัวเงินกลัวเงินหมดอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นวิภาวะตัณหากลัวกลัวเงินจะหมดไม่อยากให้เงินหมดก็เลยเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์มีเงินเยอะแยะแต่ก็ไม่กล้าใช้มันแต่คนที่ใช้เงินไปตามเหตุตามผลมีมีซื้อรถ สิบล้านก็ได้ซื้อรถห้าแสนก็ได้เขาก็ซื้อห้าแสนวอมเขาถือว่าเป็นรถเหมือนกันพาไปไหนมาไหนได้เหมือนกันอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นวิภาวตันหาเป็นเหตุผลเป็นปัญญาเป็นธรรม ะ, ะเป็นความมากน้อยสันโดษนี่คำถามจากหนูก้อยอยากทราบว่าเราจะสามารถละความอยากควบคู่ ก, กับการทางานไปได้อย่างไรคะอะ่ก็ ละในส่วนนี้เราละได้เลยนเวลาทํางานเวลาพักทํางานก็อย่าไปคุยกันอยากจะไปคุยกับคนนั้นคนนี้ก็อย่าไปคุยไปนั่งสมาธิแทนออันนี้ก็ละความอยากในส่วนนั้นได้คือมันก็เรามีความอยากตลอดเวลาเนี่ยความอยากบางอย่างที่เราทํางานมันอาจจะละไม่ได้เราก็อย่าเพิ่งละความอยากที่เราละได้เราก็ละไป เกีนความอยากจะออกจากงานนี้อันอาจจะยังออกไม่ได้เพราะว่าเรายังต้องทํางานหากินอยู่แต่ความอยากที่จะได้เงินเยอะๆนี้อาจจะตัดมันได้คือให้เราพอใจกับเงินเดือนที่เราได้ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นมันก็ช่วยลดความทุกข์ทรมานใจได้ถ้าอยากจะได้เงินเดือนเยอะๆได้ไรายได้เยอะๆแล้วไม่ได้ก็จะทุกข์ใจ คำถามจากคุณนิวกราฟิกดีไซน์อยากถามเรื่ององคุลีมานทำไมค่าคนตั้งเกือบพันถึงได้พ้นผิดจากกรรมสิ่งข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ก็เป็นบาปแล้วแต่นี่เป็นคนหนึ่งในนั้นอาจเป็นพระอรหันต์ก็ได้ที่พ้นจากกรรมก็เพราะไม่กลับมาเกิดเนี่ยเพราะหยุดหยุดใจไม่ให้กลับมาเกิดได้พอไม่มาเกิดไม่มีร่างกายก็เลยไม่มีที่รับกรรม ไม่เป็นไม่มีที่รองรับกรรมใจต้องใช้ร่างกายเป็นตัวรับกรรมเข้ามาเช่นมาเกิดแล้วก็มีร่างกายที่พิการอย่างนี้ก็เป็นผลของกรรมที่ได้ทำมาหรือมีเจ้ากรรมนายเวรมาจองร่างจองผานก็ต้องมีร่างกายเขาถึงจะจองร่างจองผานได้แต่ถ้าไม่มีร่างกายไม่มาเกิดก็มันก็ไม่มีที่จะไปรับกรรมอีกต่อไป คำถามจากคุณลูกพ่อตากสินกราบถามพระอาจารย์ทำไมคนที่ไม่เคยทำบุญหรือทำบาปมามากแต่พอจิตสุดท้ายก่อนเขาจะตายเขาสดใสทำไมถึงไปเกิดเป็นเทวดาได้ครับส่วนคนที่ทำบุญมาตลอดพอจะตายแต่จิตหม่นหมองทำไมไปลงนรกได้ผมอ่านจากคำสอนครูบาอาจารย์แต่เกิดความสงสัยครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นจริงหรเปล่าก็ไม่รู้ คนที่ทำกรรมมาตลอดบ่มาวันสุดท้ายจะมาทำบุญได้ยังไงคนที่ทำบุญมาตลอดจะมาทำกรรมวันสุดท้ายได้ยังไงมันมันเป็นเรื่องนอกจากเป็นเหตุการณ์เฉพาะกิจเฉพาะการเช่นหมอองคุลิมาานี้ทำฆ่าคนมาเก9ส้าคนแต่มาพลิกได้เพราะมาเจอพระพุทธเจ้าสอนให้พลิกมาให้ให้เลิกทำกรรมแล้วเขาก็เลิกได้เขาก็ ถ้าเขาเลิกได้ใจเขาก็สงบได้นั้นมันอยู่ที่ว่าคนที่ถึงวาระสุดท้ายนั้นจะควบคุมใจให้สงบได้หรือเปล่าหรือทำให้ใจบ้าขึ้นมาได้หรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่มันก็อยู่ที่การความสามารถในการควบคุมใจของแต่ละคนเวลาตายนั้นจะควบคุมใจให้สงบหรือไม่สงบได้หรือเปล่าคำถามจากคุณ เอเสอบถามเรื่องการทำสมาธิค่ะมีสองข้อค่ะข้อหนึ่งการนั่งแล้วมองเห็นเส้นผมขยายใหญ่มากเห็นตัวเชอ้อโรกเหมือนกล้องจุลทรรศน์แล้วไม่รู้จะทำอะไรต่อก็พยายามพิจารณาว่ามันสกรปรกน่ารังเกียจเบื่อหน่ายแต่ก็ยังไม่เบื่อหน่ายจริงถ้าเบื่อหน่ายจริงก็กรทิ้งไปน ะ, ะ, ะข้อสองหลายๆครั้งนั่งแล้วเห็นตัวเองใสเป็นแก้ว ไล่ไปจากส่วนหัวลงไปที่ร่างกายกระดูกเป็นแก้วใจสว่างสวยัยแต่ก็ยังไม่เบื่อหน่ายขันถาวรมันเบื่อเบื่อยากอยากราบ ข, ขอคําแนะนําด้วยค่ะเพราะมันไม่ได้เห็นอสุภะเลยต้องเห็นตับไตไส้พุงเห็นความแก่ความเจ็บความตายมันจะเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายขึ้นมาถ่าไปเห็นเป็นแก้วมันอาจจะรักจะชอบเพราะมันสวยมันงาม เห็นต้องให้เห็นความจริงเห็นความจริงคือมันต้องแก่เห็นเวลามันแก่เห็นเวลามันเจ็บเห็นเวลามันตายมันจะได้เกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายหรือเห็นอวัยวะสามสิบสองอวัยวะภายในร่างกายเช่นโครงกระดูกหัวใจตับลำไส้อะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายก่อนคถามจากคุณทาภารักษ์ ถ้าเราเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือขายเราไม่ได้ฆ่าเลี้ยงไว้ขายอย่างเดียวจะบับจะบัาไหมครับเราไม่บา่าแต่เราก็ช่วยส่งเสริมให้เขาฆ่าง่ายขึ้นเพราะเราเลี้ยงให้เขาขึ้นมาแล้วคนที่อยากจะฆ่าก็มาซื้อจากเราไปถ้าเราไม่เลี้ยงเขาก็จะไม่มีวัวที่เขาอยากจะไปฆ่าได้ง่ายก็จะต้องไปหาหรือไปจับในป่ามาฆ่าอย่างี้ ง้ก็อย่าไปทำอาชีพที่ส่งเสริมการค่าถึงแม้ว่าเราไม่บาปแต่เราก็เหมือนกับสมรู้ร่วมคิดช่วยส่งเสริมการค่าคำถามจาก Facebook Live ค่ะจากคุณเครือวันชอบทำบุญคิดว่าตั้งแต่นี้ไปภายในสิบปีถ้ายังไม่เสียชีวิตไปซะก่อนฉันจะต้องทำบุญถวายสังฆทานต่างๆให้ได้ครบพันครั้ง อย่างนี้ถือว่าเป็นกิเลสหรือไม่เจ้ า, จาคะไม่หรอกก็เป็นธรรมไงเป็นอธิษฐานมีความตั้งใจที่จะทำบุญทำบุญแล้วมันเป็นสศพมันไม่เป็นกิเลสมันไม่ติดมันไม่ทำให้เราไปเกิดความทุกข์ถ้าเป็นกิเลสมันจะเกิดความทุกข์ เ, เวลาอยากทำแล้วไม่ได้ทำมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วมันจะติดแล้วมัน สิ่งที่ได้มามันก็เป็นความสุขปลอมได้มาเดี๋ยวเดี้ยว้ก็หมดไปการทำบุญนี้มันเป็นความสุขจริงมันค้างค้างอยู่ในใจทำให้ใจมีความอิ่มความสุขแล้วทำให้ใจสูงขึ้นพัฒนาใจให้เป็นเทวดาคาถามจากคุณแก้วตาถ้าเราทำบุญกับพระที่ไม่ปฏิบัติแต่ทำเป็นสังฆทานกับทำบุญกับพระอริยะคนที่เราอุทิศบุญกุศลให้ เขาจะสามารถรับบุญจากที่ไหนได้มากกว่ากันเจ้าคะได้เท่ากันนะ่ะได้ทำกาทำกับใครก็ได้อุเทนได้เหมือนกันคำถามจากคุณนิวกราฟิกดีไซน์ต่อจากเมื่อกี้ค่ะแล้วกรรมที่ก่อผลของการกระทำผลทำไมถึงหลุดพ้นง่ายคือกับผมยังไม่กระจ่างชัดในเหตุผลในองคุรีมานทำครับ อ, อ๋อมันเป็นเรื่องที่คุณต้องศึกษาและปฏิบัติถึงจะเข้าใจ ใจของเรานี่มันเหมือนมาะะ้าพยศเนี่ยถ้าคนที่รู้จักควบคุมม้าได้มันก็เขาก็ควบคุมได้ง่ายคนที่ไม่รู้จักวิธีควบคุมก็ควบคุมไม่ได้เนี่ยคนที่ควบคุมไม่ได้แต่พอไปได้พบกับคนที่ควบคุมแล้วเขาบอกวิธีควบคุมแล้วก็ไปควบคุมได้เขาก็สามารถที่จะควบคุมใจได้ ฉนความสามารถของคนแต่ละคนที่จะควบคุมจิตใจก็ไม่มีไ ม, ไม่ไม่เท่ากันความรู้ความสามารถในการควบคุมใจมีไม่เท่ากันเะนนแต่ละกรณีมันจึงไม่เหมือนกันฉะนั้นต้องไปศึกษาในแต่กรณีว่าเขามีความรู้ความสามารถมากน้อยเพียงไรแลาเหตุอะไรถึงทำให้เขาเปลี่ยนใจจาก จากการทำไม่ดีมาทำดีหรือจากการทำดีไปทำไม่ดีมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยที่เราต้องศึกษาจะมาให้นั่งตอบตรงไปตรงมามันตอบไม่ได้เพราะข้อมูลมันไม่ชัดเจนพอที่จะตอบแ่ไม่อย่าไปกังวลขอให้เรากังวลกับใจเราก็พอว่าเราควบคุมใจเราได้หรือเปล่าตอนนี้เราอยากจะกินเหล้าเราเลิกได้หรือเปล่าเราอยากจะสูบบุหรี่เราเลิกได้หรือเปล่า เราอยากจะเที่ยวกลางคืนเราเลิกได้หรือเปล่าเอาแค่นี้ก่อนไม่ต้องไปกังวลถึงจิตสุดท้ายแล้วเอาจิตปัจจุบันนี้จิตสุดท้ายก็ถึงเวลานั้นก็ค่อยว่ากันดูว่าคุณจะควบคุมมันได้หรือเปล่าถ้าคุณควบคุมตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนจิตสุดท้ายคุณจะควบคุมได้หรือเปล่าถ้าควบคุมวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้จะควบคุมได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าไม่พยายามถ้าไม่ทาเลยมันจะควบคุมได้เลย แต่ถ้าพยายามควบคุมไปเรื่อยๆความสามารถที่จะควบคุมมันก็จะมีมากขึ้นไปมันก็จะมันก็จะควบคุมได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่ตัวเราเองนะถึงจะรู้เองผู้ปฏิบัติจะรู้เองว่าตัวเองจะทำได้มากได้น้อยเพียงไรงอย่ามานั่งคาดการณกันให้เสียเวลารีบควบคุมใจเรื่อกควบคุมความอยากไปเรื่อยๆ ควบคุมการกระทำความไม่ดีต่างๆอย่าให้ไปกระทำก็แล้วกันแล้วจิตสุดท้ายมันจะเพลิกเพลมันรู้ไปคาถามจากคุณวิษณุค่ะถ้าเราทำบุญและประสงค์จะให้ถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมีวิธีทำอย่างไรบ้างครับและทำด้วยอะไรครับ อ, อ๋อหนึ่งผู้ที่ล่วงลับไปแล้วต้องมาขอเราก่อนมารอรับ ถ้าเขาไม่มารอรับเขาอาจจะไม่จำเปเขาไม่มาขอเพราะเขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่ต้องขอเช่นคนที่เขาทําบุญไว้เยอะเวลาตายไปเขาก็มีบุญติดตัวไปเขาก็ไม่ตามมา้องมาขอบุญจากเราเพราะบุญที่เราให้เขาตรงนี้มันน้อยกว่าบุญที่เขามีอยู่ยงั้นถ้าเขาไม่มาขอเราก็ไม่ต้องไปกังวลเราก็ทาเผื่อไว้ไปกันแล้ววันไหนเราทาบุญเราก็อุทิศบุญส่วนหนึ่งไปให้กับเขา ถ้าเขารออยู่เขาก็ได้ถ้าก็ไม่รอเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ให้คนอื่นไปให้สรรพสัตย์ทั้งหลายไปก็ได้คำถามจากคุณจิตาเคยตั้งสมาธิอยู่กับกายกับอิริยาบททำนานๆทำไมมันเครียดคะแทนที่จะเบาสบายสรุปว่าควรเปลี่ยนวิธีกำหนดใหม่ดีกว่าหรือเปล่าคะก็ได้ถ้าคิดว่าวิธีนี้ไม่สบายลองวิธีอื่นดูลองใช้พุโทโธแทนดูก็ได้ ถ้ายังใช้วิธีไหนก็ไม่สบายก็แสดงว่าเป็นเรื่องของกิเลสที่เราต้องทนว่ามันเป็นการต่อสู้กันชู้ไปเรื่อยๆต่อไปเวลากิเลสมันยอมแล้วมันก็จะสบายถ้ามันไม่สบายแสดงว่ากิเลสมันต่อต้านมันไม่อยากจะให้เราควบคุมเราก็ต้องฝืนเราก็ต้องใช้ขันติอดทนไม่สบายก็ช่างมันขอให้เราควบคุมไว้อย่าให้มันพาเราไปคิดไปทําอะไรในสิ่งต่างๆที่ไม่ดี เอาคำสามสุดท้ายนะคำถามจาก y o u t u ู e ค่ะจากคุณโกมินโฮตั้งแต่ผมปฏิบัติธรรมผมจะไม่ค่อยอยากฟังเพลงเลยทั้งที่ตัวเองชอบฟังเพลงมากๆเป็นเพราะอะไรครับเพราะ ล, ะละแถแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงนะผลความสุขที่ได้จากธรรมนี่มันมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการฟังเสียงเพลงเ น, นื่องการได้สัมผัสรับรู้ธรรมนมันจะ